ทุติยาอาสวะสูตรนะครับว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาสวะสมประการนี้สประการเป็นฉันไหนคือกามาสวะหนึ่งภวาสวะหนึ่งอะวิชชาสวะหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาสวะสมประการนี่แหลนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิสูจใด มีกามาสะวะสิ้นไปแล้วสำรอกอวิชาออกได้แล้วและมีภาวาสะสวะหมดสิ้นแล้วภิกษุนั้นพ้นวิเศษแล้วหาอุปธิไม่ได้ชนะมารพร้อมด้วยพาหณะแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับนะสิ้นกามาสะวะสำรอกอวิชาสะวะหมดสิ้นภาวาสะวะสรุปก็คือละอาสะวะหมดแรงนั่นเองนะครับ หลุดพ้นวิเศษหาอุปธิไม่ได้นั้นเป็นชื่อของพระนิพานนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยอริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพานก็เลยชนะมารไว้ทั้งหมดนะครับทั้งกิเลสมารเป็นต้นก็ส่งไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเท่านั้นเองสรุปก็เป็นผ้าหันนั่นเองนะครับที่จะปฏิบัติได้ตามนี้จริงๆก็คือผ้าหาันะ้าหันก็สามารถทาที่สุดแห่งวัฏฏุทุกได้อัตถกถากบอกว่า ไม่มีข้อความที่ไม่เคยมีมาก่อนแปลว่าเคยอธิบายมาทุกศัพท์หมดแล้วนะครับไม่มีศับไหนายากเลยถ้าจำข้อความก่อนๆที่เคยอธิบายมาแล้วได้